อันนี้ผมอธิบายเป็นอารามาบทไปนะในเรื่องที่เราจะตั้งอารมณ์สมาธินี่ก็บอกความสําคัญว่ากรรมฐานที่มีความสําคัญดีกว่าก็คืออนาปาโนสติสม า, านินี่ต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันถึงด้านมันจะตั้งอารมณ์ของสมาธิการจะเรียกรรมฐานให้ดีรู <c oughs> ้กําลังเข้าไว้เรื่ออันดับแรกคั้นนกาสมาธิจะเป็นนาปาโนสติโนดี <c oughs> หรือว่าเป็นถ้าทำไมแข้งกองใดก็ดีให้เรารู้ตัวว่าขณะที่เราเข้าถึงขั้นกาสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยว่าเราจะทรงรู้รมให้ใจเข้าออกก็ดีการภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีการเพ่งในมินจฉาสูงก็ดีมันจะทรงความดีอยู่ทุกขณะกว่าเดียวเดียวไม่ียกว่าสองสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์มันก็จะเคลื่อนเคลื่อนมันก็จะเอาจิตเข้ามาไปคิดเรื่องราวอะไรต่ออะไรต่างๆคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปจนทั้งเอ็กว่าเราจะรู้ตัวพอรู้ตัวขึ้นมาอ้าวนี่ว่าเรื่องมันยุ่งไปซะแล้วนี่กลับขึ้นต้นกันใหม่รักษาอารมณ์ใจไว้จะคุมอารมณ์ใจให้ไม่อยู่ใช้ทรงอยู่ตลอดเวลาที่เราต้องการถ้าทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็ไปอีก <c oughs> อย่างนี้ท่าเรียกว่าการิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยตอนนี้ถาว่าถ้าผมจะผ่านอันนี้สงไปแลก็ท่ามันจะไม่ดีในกันถ้าอยากถามว่าแค่สมาธิเล็กน้อยเพียงเท่านี้จะมีอั น, นสงเป็นประการใด <c oughs> อันนี้ก็ต้องไปยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานอีกเนเห็นว่าไอ้ผมเนี่ยผมไม่ยอมเพียงพระพุทธเจ้านะ่ ถ้าท่านผิดก็ผิดด้วยท่านถูกก็ถูกด้วยผมไม่ยอมผิดคนเดียวที่ไหนถ้าพระพุทธเจ้าผิดล้วก็เสียเราต้องมาอยู่กับเทวทัตนี่ท่านที่ทรงคณิกะสมาธิเอววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยใส่ภาสาลีบุตร <c oughs> ว่าสาบุตตะดูก่อนสาบุตคนที่ทรงจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากทีวนห้าประการ ไอ้ว่างจากวันห้าเนีน่ยหมายความว่ามันก็ต้องว่างจากกิเลสด้วยเพราะมันไม่เน้กถึงเรื่องของกิเลสไอ้นิวรันน์มันเป็นกิเลสหยาบหรือว่ามีจิตประกอบไม่ได้เมตตา <c oughs> วันหนึ่งสงอารมณ์ความดีอย่างนี้แค่เพียงขณะจิตเดียวแต่ว่าได้ทุกวันนี่ยทุกวันนี่ยจะเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางคืนเลย ยังไงก็ตามเวลาไหนไม่จนกัดเรื <c oughs> ่องหาเวลาไหนไม่ได้เวลาก่อนนอนพอหัวถึงหมอนก็จับอารมณ์ไปสมาธิจับลมไม่ใจเขาออกไม่ใช่คำปรารณาอะไรก็ได้ตามใจชอบจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ของกุศลโดยเฉพาะไม่ค่องไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือความรักจิตสบายเมี่ออารมณ์ว่างโดยเฉพาะชั่วขณะจิตเหนื่อ แต่ว่าทําได้ทุกวันวันหนึ่งทั่วขณะจิตเดียวให้กล่าวว่าสารีบุตรเรากล่าวว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากทางเห็นไหมวันหนึ่งทั่วขณะจิตหนึ่งผมว่าไอ้ชั่ขณะจิตหนึ่งมันไม่ถึงหน้าทีนะมั้งคุณยรินเห็นไหมขณะจิตมันแป๊บเดียวแต่ว่าจิตว่างจากอารมณ์ทั่วทั้งหมดจิตน้อมไปในส่วนของกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> อย่างสมมติว่าพวกเรามาบวชเป็นภาพเป็น น, นาม น, นะคราวันนี้พวกเออดีนะเนี่ยเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเรามีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจปฏิบัติต่างความดีที่องค์สมเด็จตัวสมมาสมพุทธเจ้าทรงสอนเวลานี้เราฝึกสมาธิเราได้เจริญสมาธิกับเขาแล้ววันหนึ่งชั่วกระครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง การรมอย่างนี้มันดีๆอย่างเนี้นึกแต่ส่วนที่เป็นกนุวันหนึ่งชั่วขาดจิตเดียวแต่กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากทานแล้วนอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังพูดสอไปอีกเพราะว่าท่านได้ทรงจิตเป็นสมาธิวันหนึ่งชั่วขาดจิตหนึ่งคือจิตว่างจากอรมทั่วทําอย่างนี้ได้ทุกวัน มีอานิสงส์ดี ก, กว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ท่านไม่ได้หมายความว่าพระในเครือ่อวาดนะคนที่ทรงจิตดีเนี่ยเหมือนกันพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาบวชร้อยปีไม่ใช่อายุร้อยปีนะบวชร้อยปีรักษาศีลผุกศึกขาบวชบริสุทธิ์หมดไม่มีบกต่อ แต่ไม่เคยจเจริญสมาธิจิตเลยมีอา น, นิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ทรงสมาธิจิตจิตวานจะจิเรศวันหนึ่งทุกขณะจิตหนึ่งจะทําได้ทุกวันเห็นไหม <c oughs> นี่พวกเราเป็นนักบวชเนีไม่เห็นใครว่าเขาอญานึกว่าเราดีกว่าเขานะครัเวลานี้ใครว่าถี่เขาดีกว่านักบวชเยอะแต่ผมไม่พูดว่าดีกว่าคระพระพระนี่ท่านดีแต่นักบวชนี่ไม่แน่ <c oughs> นักบวชไม่ใช่ว่าดีเสมอไปถ้านักบวชที่บวช ท, ทาใจเป็นพระแล้วในเราฤทธิ์สมภะคือต้องตั้งแต่ว่าโสดาใบาึ้นไปถ้ายังไม่ถือมโซดาบันนี่ท่านไม่เรียบพระถามว่าเจริญพระธรมมฐานด้วยความาเต็มใจฉันเรียบเพราะเขาพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบความดีเพื่อความเป็นสัะตอนนี้ก็ดีหน่อยเลยเป็นพระนิพพิจยังไม่เต็มตัว แต่เป็นมรสนาบันท่านนี้ว่าพระเป็นตัวยังไงยังไงท่านผู้นี้ก็ไม่ลงอบายภูมิ <c oughs> เป็นสะัะนี่เข้าใจถึงคณิกาสมาธิไวฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนไปสมสาทาเราก็ควรจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้เราทรงจิตไวทั่วแค่คณิกาสมาธิหรือว่าเลยกิกว่านั้น <c oughs> นี่เข้าใจไหมเลยเข้าใจแต่ถามไม่รู้เรอก ใช่ไหมเอาตอนนี้ญญต่อไปสมาธิที่สองเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิอันนี้ถ้าเรียกเป็นฌานเขาเรียกอุปจาระฌานก็นยังไม่ถึงญญตัวฌานจริงๆคำว่าอุปจาระมีแปลว่าเศษนะเป็นเขษของฌานเรียกว่าอะไรนิดเดียวกว็ถึงฌาน <c oughs> แต่ว่าท่านดีทรงอุปจารสมาธินี่ผ ม, มเห็นว่ายั่งตัวมาอยู่แต่คนว่เข้าถึงอุปจารสมาธิแบบแคปเดียวมันเข้าถึงทันเลยไม่ทนันรู้ตัวมันใกล้กันเต็มทีแต่ว่าก็จํำจะต้องพูดจะ ต, ต้องพูดถึงอุปจารสมาธิว่าอุปจารสมาธินี่ยมีความสําคัญมาก เราจะรู้ผีรู้คนรู้พรหมโลกรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์รู้กฎของกรรมต่างๆก็อุปจารสมาธินี่เองเราต้องรู้กันตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ฌานสูงขึ้นไปถึงสมาบัติใจก็ตามแต่เขาต้องการจะรู้ขึ้นมาต้องถอยหลังสมาธิมายับยั้งอยู่แค่อุปจารสมาธิมันจึงจะรู้ตอนที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิตรงนี้จิตเริ่มเป็นทิศ ถ้าเกเห็นอะไรบล็ อ, บ, อ, บ, อบบล็อบแลบแลบแลมันแบบเห็นนั่นบ้างเห็นนี่บ้างสีเขียวสีแดงสีเหลืองภาพคนบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แต่ว่าปรากฏว่าไปเห็นก็เลยจะไปยุ่งกับมันนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าไปสนใจกับมันเข้าเราก็จะเสียสมาธิความดีจะเสียไปอันนี้เรามากลา่าวเกี่ยวกอุปจารสมาธิอาการมันจะค่อยๆไปแบบนี้เดิมคณิการสมาธิ สมาธิเล็กน้อยเนี่ยเราทรงอารมณ์ไวไม่ได้นานคือเรียกว่าเราเริ่มต้นใหม่ๆเห ม, มืนก็เด็กที่หัดยืนหัดเดินให้ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเลยนี่ยนะให้มันยืนยืนมันยืนได้ไประเดี๋ยวมันก็นล้มอย่างนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเทวจารสมาธิก็ได้ว่าเด็กยิ่งได้แต่ว่ายังไม่แข็งแรงเท่าใหญ่เทียบกัน เมื่ออุปจารสมาธิจิตมันจะเริ่มต้นแบบนี้พอเริ่มเข้าอุปจารสมาธิมันจะเริ่มเข้าถึงปีติก่อนและตอนนี้เราจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกได้ว่าลมให้ใจเขาออกของเราเนี่ยมันเริ่มเบาลงแต่ว่าเราจะไพยายามให้มันเบาเองแค่ไม่ได้น่าต้องเบาเพรามันเอง อารมณ์ไม่ใจเขาออกจะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่ามันเบาๆลงตอนี่อาการของปีติสปรากดก่อนแต่ว่าปีตินี้ท่านหลายต้องเข้าใจไว้ด้วยนะผมจะพูดเรียงลำดับไปทั้งห้าอย่างแต่ว่าท่านที่เจริญเขาจะมาถานจริงๆบางทีเข้าจุดต้นแล้วก็คว้าจุดหลายเลยอารมณ์จิตมันวิ่งเร็วเพราะบุญบรารมีเดิม น, นี่เสมอกันไม่ได้นะ บางท่านก็ต้องไล่เบียไปถึงห้าอย่างบางท่านมาเข้าถึงขันข้นอ่นคัสมาโตร เ, าเรียกว่าตรีติต้นพอคลัมตรีติต้นอยู่ได้ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็แผลเข้าไปถึงตรีติปลายบางทีตรีติปลายก็าคบก็ไม่รู้สึกเข้าถึงฌานเลยอันนี้เรียกว่าคนที่เคยได้ฌานมาก่อน <c oughs> นี่ระบอว่ากันตามตำราก็ตามลำดับ ปีติที่จ เ, เข้าถึงระดับแรกคำว่าปีตินี่แปลว่าความอิ่มใจอารมณ์จิตเข้าถึงปีติตอนนี้แม้แต่เพียงปีติเล็กน้อยรู้สึกอารมณ์ใจมันชุ่มชื่นเบิกบานมีความดีเป็นพิเศษ้ะมีอาการไม่แห้งแรงมันคณาตสมาธิรู้สึกมีความพอใจมันอิ่มใจมันชุ่มชื่นบอกไว้ถูก อีติตัวแรกก็คือขนพองสยองกล่าวผมจะไม่ได้ชนะื่อนะชื่อมันจะชื่อยังไงก็ช่างตามภาษาบาลีไม่มีความสาคัญเราต้องการเราต้องการอาการอาการที่มันเข้าถึงเนี่ยมีความสาคัญที่แรกดีสุดนั่งๆั่งอยู่ขนมันจะลุกสู่สู่สู่สู่สบังคับแต่ไงมันก็ไม่อยู่ อันนี้ถ้าอาการมันปรากฏแบบนั้นจิตใจมันจะรู้สึกสบายพู้ม่นเชื่อนดีกว่าคณะเก่าสมาธิจะมีการทรงตัวได้ดีอาการปวดอาการเมื่อยอาการจิตไหลได้ไปสู่ภายนอกมันจะน้อยลงมันจะทรงตัวได้ดีกว่าในอาการขนพองเสยองกล่าวคนลุกสุดสาแบบนี้เป็นปีติตัวที่หนึ่งอันนี้ปีติ ตัวที่หนึ่งพอผ่านไปบางทีก็ประสานกันจีติตัวที่หนึ่งเข้าถึงระดับปลายปีติตัวที่สองเข้ามาถ้าปีติตัวที่สองเข้ามานี่ท่านต้องทราบว่าสมาธิจิตของท่านมันดีขึ้นมันดีขึ้นปีติตัวที่สองคือความอินใจมันจะเข้าถึงปีติตัวที่สองไม่มีอาการแปลกน้ําตาไหล ความคลื่นเคล่อนจิตใจสบายแต่น้ําตามันไหลบางคับงก็อยู่มันไหลมันบอกไม่ถัวมันเองคิดอะไรเนี่ยจิตใจมันสบายแต่มันก็ไหลก็เรียกว่าไหลแบบคนดีใจมันไหลก็มันเองเฮมันน้าตาไหลพอปีติตัวที่สองผ่านไปน้ําตาไหลมันก็เลิกไม่ตองไปบังคับให้มันเลิกนะบางทีมันก็ไหลวันปีติกระตักั้นเนี่ยบางคนทรงอยู่เป็นเดือนเดืนก็มี บางคนก็สองวันสาวันก็ผ่านไปบางคนก็พอขึ้นไปถึงปีติปลายก็เลยล่นหล่นมาถึงปีติตัวตั้งมีกบคุมอารมณ์ไม่ดีเรื <c oughs> ่องว่ากันถึงปีติถ้าปีติที่สองเข้ามาถึงอารมณ์ใจมันทุ่มชื้นดีกว่ามีความตั้งมั่นดีกว่ามีความอิ่นใจดีกว่าทั้นตาไหล ในต่อไปทีติตัวที่สามเข้ามาจิตใจจะมีความตั้งมั่นดีกว่านั้นมีความคุ่มเทดีกว่าอี่ตอนนี้จะรู้สึกว่าตัวมันโยกมันโคลงนั่งบังคับมันมาอยู่ถ้าเทราทํากิจสมาธิมาลังโครงไปข้างหน้าไปข้างหลังมันอะไรก็ตามแต่ว่าใจมันสบายมันคงตัวอยู่อันนี้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าฝืนปล่อยมันตา ม, มาันลงปล่อยมัน นี่ลมให้ใจเราจะรู้สึกเบาลงไปอีกนิดหนึ่งมีความสบายใจมากไปนิ่โครงแรงหนักสรนับโครงหัวโครงหนักหลังหัวจะจะใกล้ๆจะถึงขื้นขื้นนั่งกม็มี้บางที่มันลอดนานๆแต่ใจไม่เคลื่อนใจตั้งตรงอยู่เสมอมันมีอารมณ์สบายนี่สนแสดงว่าสมาธิสูงขึ้น นีนส่สพปีติตัวที่สามผ่านไปตีสีติ 4, ตัวที่4มาที่เราเรียกกรามา อ, อุบงพาปีติตัวนี้บอกชื่อนี้จังพ้า <c oughs> ปีติตัวนี้แปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาลอยขึ้นเหนือพื้นมันลอยขึ้นจริงๆหนละมันที่ลอยไปเปกีโลยีโลถ้าไม่มีฝาไปึ่งกัน ถ้าขณะที่มันลอยไปถ้าเราเกิดความรู้สึกวเอ๊ะนี่ลอยขึ้นมาแล้วจะกลับยังไงทเท่านี้จิตสมาธิหนเคลื่อน <c oughs> พอมันเคลื่อนแล้วมันก็ลงมานั่งที่ตามเดิมนั่งเรียบร้อยตามที่เรานั่งตอนเดิมอย่า ก, กลัวว่ามันจะสร้างระเบียบให้เสียไม่เนี่ยสิตเก็สร้างระเบียบได้ดีมาก <c oughs> และว่าการอย่างนี้ท่านจะคิดว่าทุกคนจะต้องผ่านเนไหมบางทีไม่ผ่านบางที่มันผ่านเร็วเกินไปไม่รู้สึก ได้รู้ไว้ว่าการเขาปีติยังไม่ตกใจไหม <c oughs> อาการพวกเพิงกาปีตินี่มีพระบทตั้งกระผมอยู่องค์หนึงที่พระอยู่นี่ไม่ได้เอาเขามนินทาเนี่ยก็ส็จไปแล้วผมไม่ได้นินทาและผมไม่ได้พูดแต่ฟังนี่ผ ม, มเล่าให้ฟังเมื่อไงแกนั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นไปเจริญพระกรรมฐ า, านในบททำในบทด้วยกันสี่องค์ ถ้าองค์นี้วยกันแล้พวกผมสีแล้วก็พระองค์นั้นหนึ่งระโยคพวกเรานี่ความจริงถ้าเราเข้าไปสามวันแรกพวกเราก็ได้ทานสี่หมดอนาปานุสติกรรมฐานพวกเราจบสี่องค์นี้นะเอ็ง <c oughs> นี้เพราะอะไรเพราะว่าการเข้าไปบวชจะตั้งใจจริงเข้าไปเพื่อพิสูจน์พระศาสนาผมบวชนี่ยผมไม่ได้บวชอย่างพวกข้านเนี่ย ผมต้องการที่สุดว่าพุทธศาสนาจริงแค่ไหนว่าพุทธศาสนากับผมไนี่คใครจจริงกว่ากันแน่ตัวนั้นมันก็หนึ่งในตองอเมื่อกันเนี่ยแค่วันหนึ่งในด้านเลยย้ำมันหนึ่งในด้านดีแต่อยากจะรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสพระเทศ่ะยังงั้นอย่างนี้มันจะจริงไหมพวกเราก็เข้าไปบวชวยความตั้งใจจริงแล้วก็เอาเป็นจริงจริงที่สุดก็เรื่การปฏิบัติ อะไรก็ตามที่โรงพ่อปานบอกตำหนังสือบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้สิง จ, จะได้ผลพวกเราอาชีวิตคนละกันถ้าเราทําำจนทั้งถึงที่สุดสมไมได้เราก็จะไม่เชื่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามันนั่งนึกก็ตามชอบใจใครก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ขอไม่จริงล็อกไม่จริงไม่แน่ล็อก ม, มอกจะเป็นไปได้ยังไงไอแบบจิตบรมโง้แบบนี้พวกเราไม่ใช้กัน พวกเราต้องใช้การที่สูนด้วยการปฏิบัติจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าตอนน้ำทันปูดว่าเมืเ่อคืนนี้นีท่านไปเทื่อวนิพานมา <c oughs> เห็นพระนิพพานสายเป็นแกว้วมีรัศมีมันดาวแล้วก็อาทิตย์ดวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าแม้สว่าง ส, ว, งสวัยมันธาตุอาทิตย์พระอรหันต์ทั้งหลายเหมัอนกัดาว <c oughs> เวลานั้นพวกเราเข้าใจว่านิพพานสูด แล้ก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่พายาเปิดใจแต่แล้วพอคนนี้ท่านก็ยิ้มๆนี่ท่านอะไรบอกนี่พวกคุณนีก่ก็ผมบ้าดินะ<ฮ>ไม่ทันจะพูดดันรู้พระแก่เนี่ยําคัญแก่งโง่ดีกว่าเดี๋ยวแก่ฉลาดลแก่เสพฉลาดะด้วย<ฮ>เอเรานิดว่าเราฉลาดพอแล้วแค่นึกในใจเนะ่นอนี่พวกคุณเนี่ยบฉันบ้าดินะ นี่ยำไม่ช้าพวกคุณบ้าตามฉันแน่บ้าคนเดียวไม่พอเลยคุณเลินนะว่าบอกให้เราพวกเราบ้าตามพิกเลยไอ้เราก็พอดีกั่นื้คนไม่พอดีนักเนี่ยพราะท่านพูดแบบนั้นก็สวายมังก ม, มลาเลยเข้ามาอยู่กับท่านแลว้วเปิดเปิดไปไหนดูไหมเข้าป่าที่เอาที่ท่านบอกว่าพระนิพพานมีพระหนึ่งมีตัวมีตนหนึ่งมันเป็นยังไง แล้วก็ศึกษามันแล้วนี่การปฏิบัติด้านถึงสมาบัติแปดนี่เราได้กันแล้วมันเรื่องเล็ก <c oughs> เรื่องเล็กสมาบัติแปดเราจะเข้ากันอะไรก็ได้กําลังปวดตรองที่เต็มที่เราเข้าสมาบัติได้มันได้ทุกขน้าใช่ไหมไอทขี้ลงทองเนี่ยปวดทีจะวิ่งเขา้าทสวงไม่จะเข้าสมาบัติเราต้องเข้าใน ท, ทันทีนี่เป็นอย่างนี้นะเขาต้องทําให้คล่องแบบนี้ก็เข้าป่าแล้วก็กด ตามที่หลพ่อว่าตอนน้าำานวาไม่นานนักพวกเราก็ต้องไปขอขามาโทษกันก็กลับไปอีกทีหนึ่ง เ, เห็นหน้าลราไงคุณบ้าตามผมแล้วลื้เอาคนแล้วเลยกลาบเขาก็มาบอกครับเวลานี้เริ่มบ้าตามหมงพ่อล <c oughs> แล้วครับเขาบอกว่าผมมานี่ผมขอขามาโทษท่านบอกไม่ได้ เรื่องของไม่ศาสนาไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเข้ามาต้องเข้าไปในบทจะเข้ามาโทษเฉพาะชอบประทานเพราว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกคนเป็นอนันพระพเราก็ต้องทําตามท่านอตอนนี้ตอนผู้ผงเข้าไปปฏิบัติพระกรรมฐานรุ่นแรกก็เหมือนกันกเราเอาการจริงในการปฏิบัติที่เป็นการที่ฝูกไม่ใช่ว่านั่งฟังเข้าว่าแล้วไต่นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรี่ใช่ไม่ได้ แต่นี้ไม่เลยนะกดูนักวิทยาศาสตร์เขาดีก็สงสัยอะไรกับคนคว้าของเราเป็นคนคว้าไม่ต้อลงทุนนีขณะที่นั่งเขาอยู่ในโบสถ์แต่พระโยบแกด่าวเพิงคาปีติตัวมันลอยขึ้นไปยันียานเอาหัวถึงไม่ดายกระทบตึกตึดจึงก็เคลื่อนพอเคลื่อนมันก็ลงมาน้่ที่เดิมแกลูกผุดผับเปิดประตูปึงปั ง, ปงวิ่งออกไปหาพระปายกลางเด็ก ไปถึงเรียกหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเช่นเคยออกมาเช้าสมัยบอกขอเลิกครับไม่เอาแล้วไอ้แก้กรรมฐานแบบเนี้ยถานอะไร่ะมันลอยไปแบบนี้ดีไหมดีผมลอยไปกลับไม่ได้ไม่เอาแล้วมันเลิกเลิกเลิก <c oughs> บอกซะลาเลยหลวงพ่อจะอธิบายยังไงก็ตามแกไม่ยอมเอาแกบอกแกเลิกบอกหลวงพ่อเลยบอกเลิกก็เลิกลกก็ไม่ว่านะมันเลิกของแก ก็ตอนเช้าเวลาแท่งข้าวเสร็จสงพ่อแต่ละเลยคุยไปฟังว่าเมื่อคืนนี้ท่านโยกเขามาขอลาจากพระกรรมฐ า, านฐานเ่อใหม่พราะก็ได้เขาถึงอุเพงคาปีกิตตัวมันลอยขึ้ไนไปชนดินดานบดแล้วตัวมันกลับมนานา่งฌานเดินเขาเขาขอเลิกท่านก็ไม่หว่าอะไรแต่ว่าไอคนกลัวดีแบบนี้มันหายยากจริงๆนะพวกคุณนะเป็นวายานั้นใช่ไหมไอเขาเรียกว่ากลัวดี นี่คุณก็ต้องทราบว่าอุเพงคาปีติถ้าตัวมันลอยขึ้นจากพื้นเนี่ยมันจะลอยไปถึงไหนก็ปล่อยมันตามเป็ไปแล้วก็ระวังให้ดีนะถ้ามันเป็นลงปุ๊ที่ไหนแล้วก็ต้องเดินกลับนะถ้าคุณตั้งใจว่าจะทำปีติีห์เข้าถึงอุเพงคาปีติมาใหม่แล้วมันไม่เข้าแน่เพราะเวลาปีติมันจะขึ้นมันต้องวางอารมณ์เฉยๆไม่สนใจอะไร มุ่งเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคำภ า, านวาาานาก็ไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนั้นไม่นึกว่าเราจะได้อย่างนี้ถ้าไม่นึกว่ต้องการแบบนั้นแบบนี้มันเป็นตัญหาดิบกรรมมาสุพนิการในโยกมันจะเข้าไม่ถึง <c oughs> นี่แต่ว่ามันลอยไปแล้วก็เทระจิตคิดว่าเราจะกลับมันเดี๋ยวก็จะกลับนั่งที่เดิมคุณยาอะไรขีดไม่ก็ได้เขาวางถึงจุดตรงไหนก้นถูดตรงไห น, น, นก็ตามขีดไว้เวลามันมันนั่งพุ๊บเราลืมตาโดดไม่ถิด ในเคลื่อนทีมันจะคงเดิมตัง้งตามเดิมทันทีนี่เรื่องหน้ า, าสมาธิ <c oughs> ตอนนี้เมื่อเพลงคาปีติผ่านไปปีติตตัวที่ห้าท่เรียกว่าพารนาปีติปีติตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเมื่อถึงปีตินะี่ยอาการเขาปีติตัวนี้มีอาการแบบนี้เราจะรู้สึกว่าหน้าตาของเรามันโตขึ้นไม่ใหญ่ เหมืนก็โล่แล้วก็ดง่งแล้วก็รู้สึกไอ้ตัวอย่าสูงขึ้นตัวจะด่ายขึ้นมามันมีความรู้สึกการนั้นแล้วมีอาการสู้ศาสค้ายอเนื้อหนังมันจะไหลออกจากไตตามเส้นข <c oughs> นนะในตัวรู้สึกก็มีอาการโปรง่งรู้สึกสบายมากมีความสบายมากมันสบายจริงๆแล้วก็ช่วงขณะเดียวนะ ถ้ปิดพระสมาธิมันเครื่องก็จะหายไปพ้มีอาการอย่างนี้แล้วก็ทราบไปด้วยนี่เป็นภาวนาปีติเป็นจีติตัวที่หักแต่ความจริงถ้าปีติตัวที่หักเข้ามาในตัวสุขมันก็เข้ามาอาการของปฐมมฌันมสมีห้าอย่างดิตกิจจารปรีติสุกเอ <c oughs> ก ร, รักษาเมื่อภาวนาปีติเข้ามาแล้วตัวสุขมันก็เข้ามาด้วย นี่มาตัวสุขเข้ามาเต็มที่ภรวนาปีติอาการนั้นมันก็หายไปถ้าอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของปีติปรากฏขึ้นแล้วก็วันหลังถ้ามันไม่ปรากรก็คุณจะไปสนใจกับมันนะถ้าถ้าเรานั่งเวลาไหนไม้่วันใดก็าตามจงอย่าคิดว่าอาการอย่างนั้นอย่างนี้จงปรากรดยานะถ้าทำแบบนี้จิตจะเข้าสมาธิไม่ได้ ต้องปล่อยตามสมบายรักษาลมลมหายใจเข้าออกคำภาวนาเฉยๆมันถึงก็ช่างไหนถึงก็ช่างทั้งไหนก็ช่างหมนยาไปเริงเอาดีเพราะตัวสุขเข้ามาเมีออการยังไงไอ้สุขนี่ขออธิบายไม่ได้นะผมถามพระอระหันต์มาหลาองค์แล้ท่านก็บอกว่าบอกไม่ถูกมันเป็นยอดของความสุขจริงๆความสุขที่เราเคยพบมาในโลกทั้งหมดนี่มันไม่เหมือนผมอธิบายไม่ถูก พูดยังไงมันก็ผูกไม่ถูกมันผุกบอกไม่ถูกแล้วมันเป็นนิรา ม, ม, มิตรสุขผูกแค่ไหนเองในอามิตมีความทุ่มชื่นสุขขันหันสารนั่งแล้วไม่อยากจะเลิกอีตรงสุขนี้ต้งระวังให้ดีนะถ้าเข้าถึงสุขนี้ได้ว่าจิตเข้าเต็มอุปจารสมาธิแค่ปีติอันนี้จิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิยังไม่เต็มถ้าเข้าถึงสุขแล้วก็จิตเต็มอุปจาระสมาธิ <c oughs> ตั้งแค่ปีจิตเราะวังภาพแสงสีต่างๆนะยาจิตแกขงขัดจะมีภาพอะไรปรากฏก็ช่างเราต้องรักษาอารมณ์ของกรรมฐ า, านเดิมสมมติว่าเราจะเริยนพุทธา น, นุสติกรรมฐ า, านถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าปรากฏตั้งแต่จะนับเอาถ้าไมีรูปอื่นปรากฏทิ้งไปเลยอย่าใช้ให้ไม่ได้ดทิชชานเป็นอันว่าภาพต่างๆไม่สนใจเว้นไม่แต่เราจะเป็กระสือ ถ้าเราเจริญกระสิงกองไหนเราถือนิมิตกองไหนก็ตามต้องจับแ่เฉพาะนิมิตกองนั้นนะระวังนิมิตอื่นมาเข้ามาแทรกให้ตัวตัดในิมิตอื่นนี่ยตัวตัดถ้าเราไปยุ่งกับนิมิตอื่นเสร็จพังมันทําลายสมาธินี่เป็นตัวมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสมานี้ต้องระมรัดระวังขึ้นมากตอนนี้พอจิตเข้าถึงสุขนี่เรียกว่าเต็มอุปจาระสมาธิต้องระวังขึมา ระวังตรงไหนรู้ไหมมันนั่งไม่เลิกเลยพอจิตเข้าถึงสุขแล้วนี่ผมบอกแล้วนี่ว่าจิตเข้าถึงสุขแกมอุปจารสมาธมิพอผมไ่านมันก็วิ่งเข้ามาถึงทันทีไม่ต้องเข้าไปเชื่มันดังนี้เพราะอะไรเพราะว่ า, วาจิตเข้าถึงสุขอารมณ์เป็นสมาธิจักเอตสัตตารมมันก็มารักษาอารมณ์ไปอันเดียวทรงอารมณ์สบายไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมด ทรงอารมณ์อย่างไหนมันก็ทรงอย่างนั้นจิตโรงอยู่ตลอดเวลาแล้วบวกกับความสุขอีตรงนี้สิคุณไ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงหรือก็สองสามนาทีเท่นั้นแหละนี้ต้องระวังนะอย่าปล่อยตามใจมันนะถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้จงข้องแล้วก็จงตั้งเวลาไว้เฉพาะอย่าทรมานกายเราคิดว่าถ้าเราจะทนได้สักชั่วโมงก็อเอแคนั้นไปยให้เกินชั่วโมงแต่ละครั้งนะ เอาวาเรเกินไปแล้วก็บางทีสามวันสี่วันมันไม่เลิกก็ได้มันสุกจริงจรงมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่หิวไม่กระหายอะไรทั้งหมดมันสุกจะบอกไม่สุกแล้วมันก็จะมีอารมณ์ชุ่มเชื่นตลอดเวลาเพราะปีตินี้เขาเราว่อิ่มมันไม่มีอาการหิวถ้าใจมันอิ่มสักอย่างเดียวตัวหิวมันก็ไม่หิวร่างกายมันก็ไม่หิว อันนี้หรัว่าดับเผลอไปปล่อยให้ไอ้ตัวเนี้ยมันทรงอยู่นานร่างกายเราจะถูกทรมานนะต่อไปถ้าเกิดร่างกายทุกคุณลภาพทานจะเสื่อมอันนี้การทรงทานหรือว่าการจะทรงสมาธิให้นานแสนนานเท่าไหร่ต้องดูร่างกายของเราให้พอดีถอทานที่ดีแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ไม่ควรจะให้เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากมีผมบอกคุณนะ ใกล้ผมเองนะโดนเขาบ่อยเหมือนกันนึกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ตั้งเวลาไว้บางทีว่าตั้งแต่หนึ่งทุ่มมาสิบเก้านอหรือสิบแปดนอเลยเนีน่ยเลิฟหยดเดียวเขาตีะระฆังพระเขาจะทุกซึ้งครองภาคกันแล้วแล้วก็นึกในใจว่าพระมันตีะระฆังกันทําไมวะเนี่ยเลี้ยวเดียวอย่างว่าค่ําเมือใครมันตายกันที่ไหนแตเดี๋ยวที่พวกมาครอบประตูเรียกแล้วบอกนี่นี่บอกคุณพระเทวดา เขาจะไปเป็นทบายกันแล้วเราคิกว่าเดี๋ยวๆทีหลังหลวงพ่อปานรู้ก็เลยบอกต้องจาตัดทีหลังไม่ได้คุณต้องตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะอย่าให้เกินหนึ่งชั่วโมงมถ้เราตั้งเวลาไว้วันหนึ่งชั่วโมงเราจะเลิกคนนั้นถึงหนึ่งชั่วโมงปั๊บทำตัดทันทีสมาธิจะตกทันทีนะเราจะเข้าอีกไม่ได้ต้องถึงเวลาแล้วเราก็พักเมื่อพักแล้วเราก็ทําจิตพิจารณาอะไรไปประทานอันนี้เวลานอน จับเวลานอนอีกทีเวลานอนนี่จับอารมณ์ให้เป็นสมาธิกำหนดให้หลับไปเลยขณะที่หลับก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานขณะหลับถือว่าทรงฌานยตลอดเวลาถ้าตายเวลาหลับแล้วก็ถือว่าเราจะได้เป็นโสดเอาละสาหรับวันนี้ก็มายับยั้งกันแค่อุปจาระสมาธิเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะวันพรุ่งนี้ค่อยต่อกันใหม่อานิมนต์ไหวพระเอก อรหังสัมมาสัม <urry> พุทโธพระตัววัชังพรวันสังอาภิวานเดมิวาคาโตพระตัววัตถมุขธรรนามาจามี สุภาษิตปณุภคุไวตุสาวกสังค و สังฆนามิ